อพอผู้ที่มีความเข้าใจใ น, นี่นะไข้ครวนอันนี้เป็นอย่างดีเนี่ยนะ <c oughs> ปกติแล้วคนที่จเจริญได้ได้ขนาดเนี่ยเป็นคนที่มีความตื่นตัวสูงมากเนี่ยนะ <c oughs> ตื่นตัวในการพิจารณาปัจจัยกับปัจจุบันเนี่ยนะไข้ครวนอย่างมากเพะฉะนั้นผลของการใคร้ครวนอย่างมากๆมันก็มีผลที่เรียกว่าวิปัสณูปกิเลสเนี่ยสิขึ้นเนี่ยนะเช่นบางคนก็เกิดโอภาษ สว่างสวัยอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยบางคนเนี่ยโหสติมันเดลึกเก่งมากนะบางคนเนี่ยปีติบางคนเนี่ ย, ป, นนยปราโมทก็แล้วแต่ใครจะเกิดขึ้นนะวิปัสสนูปกิเลสสิอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็ไประช้ำขานว่า อ, อ๋อนี่แหละเราเนี่ยบรรลุแล้วเมืาก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยนะสิ่งเหล่านี้และเป็นมรรคเป็นผลนะก็เลยคิดว่าเป็นมรรคผลอันนั้นแหละไม่ใช่ทางนะไปชื่นชมอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ทาง แต่ถ้าทางเป็นยังไงอ่ะทางก็คือการมาพิจารณาถึงอันนี้พิจารณาเหตุเกิดความดับไปตามมาเนี่ยอันนั้นแหละเป็นเป็นทางมีอีกในหนึ่งเขาบอกว่าที่น่าสังเกตนะนจะรู้พวกนี้จะรู้ตรายลักษดีความเป็นอ น, นิจจังคือความเป็นอ น, นิจจังของปัจจุบันไนงะอย่างในสูตรที่เรียนขันธวรวัคค์นะครั้งก่อนที่เรียนว่า รูปเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยมแม้ปัจจัยที่ทำให้รูปเกิดก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วรูปที่เกิดจากปัจจัยจะเที่ยงมาแต่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ปัจจัยอันนี้ปัจจัยุบันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันทั้งปัจจัยทั้งปัจจัยุบันก็ไม่เที่ยงแต่นี้เน้นเพิจารณาปัจจัยที่ไม่เที่ยงเป็นปัจจัยแก่ปัจจยุบันนะซึ่งความเข้าใจอันนี้เป็นอนัตตาเรียกว่าเข้าใจอนัตตลักษณะ คือในสองสิ่งไม่มีอะไรคงทนหรอกแต่ว่าสิ่งที่ไม่คงทนเนี่ยมันเป็นปัจจัยแก่กันเนี่ยนะสัมพันธ์กันความความเข้าใจว่าปัจจยุปันเนี่ยอยู่ด้วยปัจจัยอันนี้เข้าใจในอันจะขอไปอนตัตตลักษณะแต่ถ้าไอเพ่งพิจารณาไปที่ปัจจยุปันในความไม่เที่ยงมากอันนั้นเป็นเน้นพิจารณา อันนี้จะลักษณะไอปัจจยุบันที่ดำรงอยู่ด้วยดำรงแห่งความบีบคั้นอันนั้นเป็นพิจารณาทุกขลักษณะเนี่ยนะก็จะรู้ลักษณะสองอกลุ่มปัจจัยนี่คือกลุ่มอะไสัตวสมุทยศัสตร์ปัจยุบันคือกลุ่มทุกข์สัตว์ถ้าปัจจัยดับปัจจยุบันต้องดับอันนี้รู้อะไรสัจจะถ้าปัจจัยดับอันนี้ดับนิโรสัตว์พออันนะได้ได้สอ ง, ส, องสัจจะแล้วใช่ สามสัจจนิโรธสัจจะถ้าปัจจัยดับปัจจยุปันระดับอันนี้มีความรู้ในนิโรธสัตดีและโอภาสเป็นต้นไม่ใช่ทางนเนี่ยนะอันนี้เป็นการกำหนดมรรคสัจแล้วก็คือรู้ว่าถ้าไปชื่นชมในโอภาสเพลิดเพลินในสิ่งนั้นอยู่ไม่ใช่ทางแล้วการตามพิจรารณาตามไตรลักษณ์ตา ม, ตาตามที่กล่าวไปอันนั้นเป็นทางแยกแยะอันนี้ได้เรียกว่ากาแยกมกรรคสัได แยกมัคขสัตต์ได้ทีนี้ไอ้มัคขอมัคตัวนี้เนี่ยนะาอย่างนี้เขาเรียกว่าอย่างอ่อนถ้าถ้ามาจนกว่าจะมาพิจารณาอย่างนี้ได้นะก่อนหน้านี้เขาเรียกว่าอย่างอ่อนศั์นิยามเรียกย่อๆพวกนี้ว่ายะถาภูตญาณทัศนะนี่นะเขาเรียกว่ารู้เห็นตามเป็นจริงเนี่ยนะใ่อัย่อๆอย่างเดียวทีนี้ถ้าสูงขึ้นไปอีก นนะก็จะตามเห็นแต่เครียกว่าเลิกสนใจปัจจัยเครียกว่าไม่พิจารณาไม่เน้นในการพิจารณาปัจจัยเพราะมีความเข้าใจเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าปัจจัยยุบันทั้งหลายเนี่ยเกิดจากปัจจัยก็ตามเห็นปัจจัยเนี่ยโดยความเป็นของสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปอันนั้นแหละเครียกว่าเป็นกลุ่มปฏิ ป, ปทาญานทะัศนวิสุทธิ์เป็นต้นไป คือตามเห็นถึงความสิ้นไปความเสื่อมไปความคลายไปของอโดยเฉพาะเน้นที่ครั้งก่อนนะเราพูดถึงโดยอะไรนะอัตตาสมัยสันติเนี่ยนะอันนี้ก็เน้นพิจารนาความสิ้นไปเสื่อมไปโดยที่ไม่ได้ไม่ได้เน้นแพ่งไปที่ปัจจัยเน้นพิจารณาปัจยุปบันที่เป็นสัน ต, ติทั้งโดย รูปนะพูดย่อยๆนะรูปกับนามรูปก็มาแบ่งเป็นอะไรอาหารชรูปจิตตชรูปอุตุชรูปกรรมมชรูปอย่างเงี้ยนะก็สันตติของแต่ละรูปก็ตามเห็นความสิ้นไปเสื่อมไปของรูปแต่ละสันตตินั้นๆไปหรือพิจารณานามก็โดยเช่นโดยวิถีเนี่ยนะ โดยวิถีโดยชาวณนะโดยสมาบัตินะถ้าคนได้ฌานก็เอาสมาบัติเข้ามาพิจารณาด้วยตามเห็นความสิ้นไปเสื่อมไปของสิ่งเหล่านั้นอันนั้นก็เป็นเริ่มเป็นปฏิปทาญ า, านทัศนวิสุทธิแต่ตั้งแต่พังขยานเป็นต้นไปเนี่ยนะตามเห็นความสิ้นของปัจจยุปบรรด้วยอํานาจของอะไรจิตก่อนในชะ่ตั้งแต่พังขยานเป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มจะต้องพิจารณาจิตอันนี้ด้วยด้วยความสิ้นไปเหมือนกัน ตามเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็มาตามเห็นจิตอันนี้ด้วยอนุปัสนาเจตอันนี้คูณด้วยอนุปัสนาเจตตามตลอดเลยตามเห็นจิตที่ไปพิจารณานีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะตามเห็นโดยความเบื่อหน่ายไม่ใช่เพลิดเพลินตามเห็นโดยความคลายกำหนัดไม่ใช่กําหนัดตามเห็นโดยความดับไม่ใช่ กขึ้นตามเห็นโดยความสละคืนไม่ใช่ถือมั่นเมื่อตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ละความสําคัญว่าเที่ยงได้อันนี้จะเข้าอนุปัสสนาก็ตอนนี้เพราะในใ น, ในไม่เที่ยงแบบนี้ก็ก็ใช้เน้เ น, นที่พิจารณาสันติเนี่ยนะแต่ว่ารู้เบื้องลึกของสัน ต, ติก็คือขณะแต่ทีนี้ขณะนี้ก็ดูว่าใครพิจารณาได้ละเอียดกว่า ก, ากันก็อีกเรื่องหนึ่งละเนี่ยนะเพราะว่าเราจะรู้ละเอียดเท่ากับ อ น, นะอนุขณนเลยปาทะถีติปังคะเขียนขึ้นมายากดวงโตๆหน่อยนะก็ผ่าครึ่งละผ่าเป็นสามซี่กเหมือนแตงโมงันใชซี่แรกอุปะทะอุปาทะเนี่ยนะซี่ตรงกลางถิติซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่แบบเจริญนิปัสนาแล้วก็นึกถึงลูกโป่งขึ้นมาแล้วก็มาคิดอนะไนั้นไม่ใช่มันก็เป็นการพิจารณาชีวิตไ ค, คร่ครวนในทุกแง่มุมก็ตามเห็นความดับอย่างนี้ไปเรื่อยๆ โดยทั่วๆไปเน้น อ, อยู่ในปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิอ ย, ยอยู่ระดับปฏิปทาญานทัศนวิสุทธิเป็นต้นไปอย่านีอนุปัสนาเจนะคืออนุปัสนาเจก็คือปฏิปทาญานทัศนวิสุทธิทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่าพยายานอาทีนวายานนิพพิทายานก็คือนิพพิทาสับเดียวเนี่ยนะหลังจากนั้นไปก็เป็นอะไรก็เป็นพวกวิราคาอนุปัสนานั่นแหละ ว่าพวกสังขารุปเปลกขายานชั้นสูงไปเนี่ยนะอนปะุปัชนา เ, นเจนา ต, จตเจนีพิจารณาตัวจิตที่ไปพิจารณาเขาเพ่งทั้งสองเอาเงี้งกันนะพิจารณาเช่นรูปขันโดยความเป็นของสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเนี่ยนะซึ่งเข้าใจนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วเสร็จแล้วก็ตามเห็นไอ้จิตที่ไปพิจารณาจิตอ น, นันโดยอนุปัชนาเจนเนี่ย น, นะ ก็สาธุยกผลขึ้นบอกเลยข้ามฝั่งแล้วแบกไปขึ้นไปด้วยเ <c oughs> ขาบอกว่าปษัติยพิจกนี่เหมือนแพรแล้วก็นิพานมีเหมือนเหมือนฝักถ <c oughs> ้าไปถึ่ฝังแล้วฝิากษตริย์พจด้แล้วก็ัตรนย์จเหมือนแพร คุณ <มา S 2> คุณคุ<ม>คุคพูดเองนะ <c oughs> ถ้าพระอรหันต์นั่นคิดอย่างนั้นเราเนี่ยอดเรียนเลยอะ<ด>่ะใช่ไหมเ<ม>พราะพระอรหันต์เนี่ยท่านเป็นพรามขึ้นบกหมดแล้วแต่ทําไมท่านยังรักษาพระไตรปิฎกไว้ให้เรานั่นแหละแล้วก็อุ ป, ปมามันคนละเรื่องคนละเรามันจะมาเข้ากันจะเสียหายมากมรารตยก็ ถือว่าเป็นบริวารของของอนุปัสนาเพราะว่ามันก็ต้องซ้อมไปจนดีนะแต่ว่าเขาจะเรียกเป็นอนุปัสนาจริงๆก็ต่อเมื่อมันละวิปลาดได้อย่างค่อนข้า ง, า ง, างระดับสูงทั้งวิสุทธิมรรคทั้งที่อื่นก็บอกเลยว่าตั้งแต่พังคยานเป็นต้นไปนะั่นจึงจะเป็นอนุปัสนาเนะเพราะมันอยู่ในระดับปหานะปริญญาอนุปัสนาคือปหานะปริญญา นี่ในแง่ของผู้ที่ศึกษาธรรมะนะหัวข้อที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกคืออะไรคือหัวข้อที่ว่าเมื่อพูดถึงธรรมะกลุ่มหนึ่งปั๊บต้อง้องนึกให้ออกก่อนว่ามันอยู่ในระดับไหนเนี่ยนะเพราะถ้ามองไม่ออกโดยลําดับเข้ามันเป็นที่มาของแล้วคราวนี้ก็เป็นข้อถกกันอะไรกันเป็นต้นเนี่ยนะโดยเฉพาะที่มันจะพิเศษหน่อยก็คือที่ชักนิ่มนะมั่วนิ่มนะ่นนัก็น่าเป็นห่วงมาก พยายามที่ น, นะในาฐานะผู้ที่ศึกษาคำสอนก็ควรระลึกถึงว่าพุทธพจน์ในแต่ละบทนี่อยู่ในระดับไหนแล้วก็พยายามอธิบายตามท่านอย่างเดียวเพราะว่าในในยุคนี้เนี่ยนะที่จะช่วยเราได้ก็มีคำสอนอย่างเดียวเหมือนสิ่งที่เรารู้เราเข้าใจก็ไม่ต้องไปยึดถืออะไรมากะนะให้สังเกตว่าอนุวัตตามคำสอนได้ไหมถ้าอนุวัตตามคาสอนได้ก็ ใช่ได้ถ้าอนุวัตตามคําสอนไม่ได้ก็ต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนนั่นนะชอบมีลินท้ปัญหาอยู่บทหนึ่งนะในบรรดาอุปมาทั้งหมดเลยนะที่พระเจ้ า, ามีลินถามว่าองค์หนึ่งของต้นไผ่นี่เป็นยังไงต้นไผ่นี่เป็นยังไงคุณนะคุณนภามันมีอยู่องค์เดียวไม้ไผ่ไม้ไผ่นี่เคยเห็นไม้ไผลลลล่ลมมาแล้วมันหักไหมนะเคยหักไหมไ ม, ไม่ไม้ไผ่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะ ทั้งกอเลยเห็นไหมไี่มีมีแต่มันลู่ตามลมอ่ะฉันนั้นเหมือนการพิสูพึงลู่ตามนาวังฆ่าสัตุสัตว์คือลู่ตามคำสอนเอาไวเ้เถอะนี่นะอย่าไปแข็งกับคำสอนคำสอนว่ายังไงต้องว่าว่าตามอย่างเดียวนี่นะสาวกควรทำไว้ในใจว่าเราเป็นผู้ไม่รู้พระศาสดาเป็นผู้รู้นี่นะอันนี้ก็ตั้งไว้เลย แมกระทั่งในหลายๆสูตรพระองค์ก็ตรัสว่าอย่างนั้นนะนี่เป็นพุทธพจน์อย่างหนึ่งเหมือนกันที่เราจะต้องพยายามอนุวัตตามคําสอนเอาไว้ให้มากเพราะว่าไม่บรรลุนี่เข้าใจว่าบรรลุนี่มีไหมมีเพราะมีนี่แหละพระองค์จึงตรัสมิ ช, ะ ต, ะมชะตะมิชตามีสิบนะมีมิชตะแปดก็มีมิชะตะสิบก็มีมิ ช, ะ ต, ะ 10, มมชะตะที่เก้าที่สิบเนี่ยมิคือมิชายานะกับมิชา วิมุต์เนี่ยนะเพรา ะ, ะนั้นก็เราก็ระวังอันนั้นด้วยเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่บรรลุแต่สำคัญว่าได้บรรลุเนี่ยนะอันนี้ก็มีมากทั้งสมัยก่อนก็มีสมัยนี้ก็ไม่น้อยเลยเสร็จแล้วก็ถามว่าเมื่อไม่บรรลุแต่เข้าใจว่าบรรลุอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ภาคเพียรที่จะเจริญกุศลธรรมให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะ พูดถึงแบบสมัยมาตรฐานน่อยท่านได้อภิญยาห้าสมาบัติแปดแล้วได้อนุปัสนาเจ็ดเป็นอย่างดีท่านนึกว่าท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะท่านก็ไม่ขวนขวายต่อใช้อยู่อย่างนี้หลายสิบปีนะสามสี่สิสปีอะ่ะจนบางองค์เนี่ยไปไปแนะแล้วอ่ะท่านจึงจึงรู้ตัวว่าท่านไม่ได้บรรลุอะไรเลยนะบางองค์เนี่ยใกล้จะตายแล้วจึงค่อยรู้อันนี้คือสมัยที่ค่อนข้างมาตรฐานนำมายุคหลังๆเข้าไม่ทันรู้เลยนะนึกว่ารู้ไปแล้วเนี่ย น, นี่คือลําบากมาก แล้วก็เอาองค์หนึ่งเอาไว้เนี่ยนะรู้ตามคำสอนเอาไว้ให้มากมแล้วเราค่อยๆระลึกดูว่าเอ๊ะบทเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ยังไงพระองค์แสดงไว้อย่างไรเนี่ยนะก็ว่าไปตามนั้นทั้นเราก็เป็นผู้ที่ศึกษาคำสอนร่วมกันอยู่แล้วอนี่ยนะนใครไปเจอพยัญชนะที่ไหนที่ที่ดีเชื่อมโยงกันได้ก็ควรจะเอามามาศึกษาร่วมกัน น, นะน ครั้งที่แล้วก็มีบางท่านนิยมพูดคำหนึ่งเขาบอกว่าอย่าถือทิฐิดุดท่อนอ้อยก็บอกว่าไอ้ถือทิฐิดุดท่อนอ้อยเป็นยังไงเคยใครเคยแบกอ้อยมาบ้างถืออ้อยมาเลยแต่ก็สําคัญว่ามันมันหวานใช่ไหมถ้าเหนื่อยหน่อยก็จะเนี่ยอาศัยเคี้ยวอ้อยนี่แหละเหงือนกันนะผู้ที่ถือความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ก็ถือว่าไอ้ความเข้าใจของตัวนี้เป็นเนี่ยแหละมันถูกต้องที่สุดแล้วคนอื่นเข้าใจไม่ถูกเนี่ยนะก็อย่าไปถือทิฐิแบบนั้น ก็พร้อมที่จะศึกษาไปเนี่ยนะแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าหนักๆเข้าเลยทิ้งคำสอนเลยเนะเออ น, นั้นพูดดีนี่เลยเปลี่ยนศาสนาเลยเนี่นั้นก็เกินไปอีกนันก็เลยทงไปอีกมาดูในสังยุตติกายสัพพสูตรต่อนะต่อจากเมื่อวานสูตรนี้จะว่าให้คุณภาว่าก่อนก็ไม่ได้ มาถึงก็มาอ่านก่อนนะสัพพสูตรนะสัพพวรัตที่สมกล่าวว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเราจักแสดงสิ่งทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังข้อนั้นดูกรพิสูจน์ทั้งหลายก็อะไรเป็นสิ่งทั้งปวงจักสุ ก, กับรูปนีนะหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโพธาพะใจกับธรรมรมอันนี้เรากล่าวว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยนะดูกรพิสูจน์ทั้งหลายผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบอกปฏิเสธ สิ่งทั้งปวงจับบัญญัติสิ่งอื่นแทนวาจาของผู้นั้นพึงเลื่อนลอยดุดวัตถุเท พ, พ ย, ยดาแต่ครั้นถูกถามเข้าก็ตอบไม่ได้และจะอึดอัดใจอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะข้อนั้นไม่ใช่วิสัยคือจับปฏิเสธเนี่ยว่าตากับสีหูกับเสียงจ ม, มูกกับกลิ่นลิ้นกับรถกายกับโพธพภะใจกับธรมรมารมณ์ไม่ใช่สิ่งทั้งปวงเนี่ยนะไม่มีใครปฏิเสธอันนี้ได้เนี่ยนะไม่มีใครคัดค้านได้ อ่านะคือจะบอกปฏิเสธอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งทั้งปวงหรอกสิ่งทั้งปวงมันเป็นอย่างนี้อนะถ้าใครถ้าใครกล้าบัญญัติแบบนั้นได้เนี่ยคาพูดของคนนั้นเนี่ยเลื่อนลอยถามว่าเลื่อนลอยเหมือนอะไรเหมือนวัตถุเทวดาไอ้วัตถุเทวดาคือวิมานเทวดานะสํานวนว่าไปหาสวรรค์หาวิมานที่ไหนอ่านะ <c oughs> สํานวนตรงๆอ่านะคือไปหาสวรรค์หาวิมานตรงไหนมาอ้างงั้นอย่างเงี้ยนะใช่ไหมอาวัตถุนะคืนจริงๆอ่านะมันอยู่ที่เมืองเทวดาอยู่ตรงไหนตรงไหน น่าเอามาอ้างกันไม่ได้จะว่าเรื่องเนี้ยไหนชี้ให้กันดูกันหน่อยเนี่ยนะชี้ได้ไหมจ่าไม่นิดวิมานเนี่ยทุกเทวดาเนี่ยวิมานนั่นอยู่ตรงไหนนะมันวัตถุเทวดาเนี่มันชี้ไม่ได้คือเอามาตั้งให้ดูกันไม่ได้แล้วบอกมันอย่างงี้อย่างเงี้ยนะไม่ได้เลยนะวัตถุเทวดาก็เนี่ยคือเขาเรียกว่าเหมือนกับว่า เอาสิ่งที่เลื่อนลอยนะมาอ้างะนะเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คื อ, คอมาบัญญัติแทนไม่ได้อะ่ะเมื่อว่าปฏิเสธเนี่ยตากับสีหูกับเสียงเป็นต้นเนี่ยนะว่าสิ่งทั้งปวงอะ่ะแล้วให้สิ่งทั้งปวงของคุณมันคืออะไรอ่านะมัไม่รู้จะเอาอะไรมาว่านะเพราะอันนี้มันคลุมจั ก, กรวาลหมดแล้วอะ่ะถ้าไปบอกปฏิเสธสิ่งนี้แล้วบัญญัติอันอื่นขึ้นมาไม่ต่างจากอะไรต่างกับวัตถุเทวดาก็คือเขาบอกว่ามีบางทีก็มีเทวดาในระมิตวิมานขึ้นในอากาศเนี่ย พอเล่นกันเสร็จก็มันก็หายกันไปก็เอามาเป็นข้ออ้างอะไรยังไงได้เหมือนกับเงาอ่ะนะเอามาเป็นข้ออ้างเป็นเครื่องเปรียบเทียบอะไรไม่ได้เนี่ยนะยิ่งถามมากเข้าก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับเขามีลัที่สมัยก่อนนะลัที่หนึ่งเขาบอกว่างามมากงามจริงๆอ่ะนะแค่ว่าไอ้ความงดงามอันนี้ไม่มีสิ่งอื่นจะงามกว่านี้อีกแล้วเข า, อาไอ้สิ่งที่งามของคุณมันเป็นยังไงมันงามมากอ่ะนะ เขาก็ยืนยันแต่ ว, ว่างามงามงามประมาไอความงามพระอันนี้ไว้เรื่อยๆดีจริงๆงามมากอะไรมากถามยังไงก็ตอบไม่ได้เขานะเขามีนะเขมีลัที่หนึงอนะที่ไปไปไปบอกกับพระพุทธเจ้าไว้อย่างนั้นผมก็ถามว่าไอความไอที่ว่าของคุณนี่มันเป็นยังไงงามมากเนะี่ยก็บอกว่ามันงามอะ่ะ ถามตอบอีกไม่ได้รู้แต่ว่ามันงามอย่างเดียวพองศ์ก็อุปมาว่าเหมือนกับอย่างว่านะมีคนคนหนึ่งนะมีชายหนุ่มคนหนึ่งมาบอกว่าเขารักหญิงสาวชนบทโน้นงามมากว่างั้นสวยจริงๆก็ถามว่าลูกใครงามอะ่ะสวยมากอายุเท่าไหร่งามอะงามอะตอบได้งามอย่างเดียวนะสรุปว่าไม่รู้เรื่องกันเลยนะได้แต่งามงามๆเท่านั้นไนะอ้ น, นี้ก็เหมือนกันถ้าใครมาบอกว่าสิ่งทั้งปวงมันมีเนี่ยเอ๊ะอะไรอะสิ่งทั้งปวงอะนะ จะมีอะไรพอเป็นสิ่งทั้งปวงในบ้างพอที่จะบัญญัติอื่นจากเนี่ยตากับสีหูกับเสียงจมูกกับเปลิ่นลิ้นกับรสใจกับโพธาภะใจกายกับโพธาภะใจกับธรมรมารมณ์นี่ยนะไม่มีใครบัญญัติได้อยู่แล้วทีนี้ย้อนมาคําว่าสภาวะเนี่ยนะแปลว่าสิ่งทั้งปวงสภาวะก็คือทั้งหมดอ่ะนะทั้งหมดภาษาไทยไทยเรก็คือทั้งหมดตนเองทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะนะทั้งหมดเนะี่ย ทั้งหมดเนี่ยตามพระไตรปิฎกเนี่ยนะคำว่าสัพพะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตามในพุทธพจน์ประมวลดูแล้วมีอยู่สี่ความหมายคําว่าสัพพะในพระไตรปิฎกนะประมวลแล้วทั้งหมดมีอยู่สี่ความหมายคือหนึ่งสัพพะสัพพะสองอิยตนาสัพพะสามสักกายสัพพะสี่ปเทสสะสัพพะการตั้งหัวข้อสี่ความหมายนี้ขึ้นมาก็ต้องเอาสูตรมาอ้างนะว่าเอามาจากที่ไหนบ้างเช่นว่าสัพพะข้อแรกก่อนนะสัพพะสัพพะ แล ว, ว่าทั้งปวงทั้งปวงก็แรกก็ยกมาว่าสัพพาว่าอะไรอะไรที่พระองค์ไม่เคยเห็นในโลกนี้ย่อมไม่มีไม่รู้ไม่รู้สิ่งที่ไม่ควรรู้ก็ไม่มีแปล ว, ว่าเนยบทเนี่ยนะที่พระองค์ไม่รู้ว่าไม่มีอันหนึ่งพระตถาคตทรงรู้ยิ่งซึ่งเนยะซึ่งมีอยู่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระตถาคตจึงทรงพระนามว่าสมันตะจกักขุอันนี้ก็เป็นบทที่เอามาจากทั้งปฏิสัมพิทาเอามาทั้งเอายกมาจาก คำพีมหานิเทศบทนี่นะที่พระองค์บอกว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่มีไม่ว่าสิ่งนั้นจะดียาวนานขนาดไหนอนาคตอีกนานขนาดไหนสิ่งนั้นทั้งปวงพระองค์รู้หมดอะ่ะเนี่ยนะอันนี้แหละเขาเรียกว่าสัพเะสัพเหมายถึงว่าสิ่งที่สัพพันยุตยานรู้นะไม่มีปริมาณที่จำกัดเหมือนกันเถอะเรียกว่าทั้งปวงจริง อันนี้อย่างที่หนึ่งนะยกข้อความที่หมายถึงความขีดความสามารถของสัพพัญญุตญาณเนี่ยจะรู้สรรพสิ่งหมดเลยแล้วก็อดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยนะพะมีญาณอยู่อันหนึ่งที่เป็นญาณของพระพุทธเจ้าเพราะว่าญาณที่ไม่ขดัดไม่ขัดข้องในการสามไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะทั้งอมองในแง่บัญญัติและในแง่ ปรามัดทั้งที่เป็นสังคตะอาสังคตะเนี่ยนะไม่มีส่วนเหลือวางกันเด็อันนี้หมายถึงว่าทั้งปวงจริงๆอันนี้อันนี้ครอบพุม จ, กกจักรวาลแม่จักรวาลนี้ก็แค่ไปนะส่วนสัพพะอีกแห่งหนึ่งคือบอกว่าสัพพังโวพิคเวเทศิษามิตังสุนาธาดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราจักแสดงสิ่งทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังนี้ชื่อว่าอายตนาสัพพะอันนี้ก็ชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเหมือนกันอันนี้ก็ยกพระสูตรมาอ้างเหมือนกันนะ สูตรนี้ก็คือเนี่ยข้อนี้ที่กําลังพูดถึงเนี่ยเป็นอายตนาสัภะเนี่ยนะเราจะแสดงสิ่งทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลา ย, งลายจงฟังนะอันนี้แหละส่วนสภะอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าสพภพธรรมะมูลปริยายังโวพิขเวเทศิษามิดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราจะแสดงมูลมูลปริยายแห่งธรรมะทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายอันนี้ชื่อว่าสกายสภะอันนี้ก็ยกมาจาก สู่แรกของมูลปริยามูลปริยาวักเนี่ยนะสู่แรกเลยก็คือมูลปริย า, ยาสูตรว่าอันนี้ก็คือมูลของปริยายธรรมทั้งปวงเนี่ยนะอันนี้ก็ชื่อว่าทั้งปวงเหมือนกันส่วนสัพพะว่าสัพพะธรรมเมสุวาปัฏฐะสมนาหาโรอุปชติจิตตังมโนมานสังตัชามโนวิญญาณธาตุที่แปลว่าวาเนี่ยนขึ้นมาหรือว่า การรวบรวมใจครั้งแรกจิตมโนมนัตมโนวิญญาณธาตุที่เกิดขึ้นแต่จิตนั้นย่อมเกิดขึ้นในธรรมะทั้งปวงอันนี้ชื่อว่าปเทสะสัพพะดังนั้นเพียงอารมณ์5ชื่อว่าปเทสะสัพพะไอปเทสะสัพพะเป็นชื่อของไอมปัญจทวาราวชณะนะปัญจทวาราวชนะที่มันรู้อารมณ์รู้ได้แค่ห้าใช่ไหมคือรู้เช่นมันมันรวบรวมครั้งครั้งแรกนะเหมือนกับว่ารวบรวมในธรรมะทั้งเปวงอะ่ะจริงจริงมันไม่ได้ ม, มันได้แค่ห้าแค่นั้นแหละรูปเสียงกลิน่นรสโภชพะแล้วเฉพาะปัจจุบันเท่านั้นด้วยนะมันไม่มีว่าไปรู้อดีตอนาคตเกินกว่านั้นไม่ได้มันรู้เฉพาะปัจจุบันรู้แคบๆมากเพราะว่าหมายถึงปัญจทวาราวชนะที่อวัชนะได้เฉพาะรูปเสียงกลิน่นรสโภชพะเท่านั้นและเฉพาะหน้าเท่านั้นมันรู้แค่ห้าอย่างอันนั้นก็เรียกว่าทั้งปวงเหมือนกันนะอารมห้าที่เป็นอา ร, รมณปัจจัยของ ปัญจทวาราวชนะอันนี้เรียกว่าปเทสะสัพพะปเทสะนี่แปลว่าส่วนนะนะแปลว่าทั้งปวงแต่ว่าแบบทั้งปวงแบบส่วนเดียวอ่ะนะน้อยก็เหมือนกับว่าเอาเอาเยอะมไหมเอาทั้งหมดนั่นแหละไอ้ทั้งหมดแต่ว่ามันทั้งหมดแบบนั้นอ่ะนะทั้งหมดแก้วเดียวอ่ะนะบอกว่าไปยกอาหารมาหน่อยเอาเยอะไหมบอกเอาทั้งหมดมอ่ะนะไอ้ทั้งหมดอันนั้นมันก็ทั้งหมดหม้อเดียวว่างั้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมดหลายสิบหม้อนะคนย้ายมาหมดทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่า มันก็ต้องถ้วยโถโอชามกระมังอะไรขนไปหมดเลยใช่ไหมขนมาหมดทั้งบ้านอันคำว่าหมดบางอย่างนี่แปลว่าหมดแบบแบบมีส่วนเหลือเนี่ยนะอันนี้ประเทศสาาัพพะอันนี้หมดแบบมีส่วนเหลือแคบมากเน้นแค่อารมณ์ห้า ป, ประเทศสราบท์เนี่ยก็เกจ้าประเทศสราชก็คือปเป็นใหญ่แผ่นดินบางส่วนพระเจ้าประเทศสราชเนี่ยนะคือถ้าเขาจะมีแบ่งตําแหน่งอย่างนี้ว่าถ้าจากักรพรรดิคุมโลก ไม่มีแผ่นดินตารางนิ้วไหนที่ไม่ใช่ของท่านเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่าจั ก, กรพัฒน์แต่ถ้าพระเจ้าประเทศสราชก็คือกษัตริย์ไทยศรีลังกาพมา่าอะไรก็ว่าไปคือคือใหญ่เฉพาะแผ่นดินของตัวเองตัวเอ ง, ต, เองตัวเองไปอันนี้เรียกว่าเจ้าประเทศสราชเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเขาก็แค่เขาก็เฉพาะส่วนของเขาอ่ะเขาไม่ได้คลุมจั ก, กรวาลอะไรส่วนธรรมะอันเป็นไปในภูมิสามชื่อว่าสักกายสัพภะอันนี้หมายถึงอุปาทานขันหนะ้านี่ อุปาทานขันห้าทุกชนิดนั่นแหละชื่อว่าสกายะสภะที่เรียกว่ากายของตนเนี่ยนะคือว่าแคบอยู่แค่อุปาทานขันห้าส่วนธรรมะอันเป็นไปในภูมิสี่ชื่อว่าอายตนาสาพพัภะอันนี้รวมทั้งโลกุตระด้วยทั้งมัจทั้งผลน่นนะทั้งมัจทั้งผลนี้ก็อยู่ในอายตนาสาพพัภะแม้กระทั่งนิพพานก็อยู่ในอายตนาสภะก็เป็นอารมณ์ของอายตนะเหล่านั้นๆเนี่ยส่วนนิยะอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่า สัพพะสัพพะเนี่ยนี่หมายถึงก็บอกว่าสิ่งที่ควรรู้เนี่ยนะมีประมาณเท่าไหร่เนี่ยไม่มีอะที่พระพุทธเจ้าจะไม่รู้รู้หมดเลยทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะปะเทสะสัพพะสองส ก, กายะ สัพพะสัพพ ะ, ะปะเทสะสัพพะนี้หมายถึงอารมณ์แล้วก็แคบเฉพาะปัจจุบันเท่านั้นด้วยนั่นเองส่วนสกายะสัพพะนี้หมายถึงปาทานขนาันอันนี้ก็หมายถึงไตรภูมิอันนั้นขันห้าในไตรภูมิ คืออารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งอะไรแห่งอุปาทานทุกชนิดหรอไนงะ ก, ก็คือโลกีธรรมทั้งหมดนั่นแหละที่เป็นอย่างหนึ่งคำว่าอุปาทานอาคารแปล ว, ว่าเกิดจากอุปาทานอย่างหนึ่งหรืออย่างหนึ่งก็เป็นที่อาศัยเกิดของอุปาทานเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเป็นที่เป็นปัเกิดจากอุปาทานหรือเป็นปัจจัยแก่อุปาทานก็เรียกว่าสกายส พ, พะ ไอสกายสัพพาอันนี้แหละที่เป็นทุกขสัตว์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นแค่มากสกายสัพพาเหลือแค่ทุกขสัตว์เนี่ยนะถ้าโดยสัจจะนะเหลือเฉพาะทุกขสัตว์อย่างเดียวส่วนอายตนะสัพพานี้หมายถึงกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและโลกุตระ ก็คือธรรมะในภูมิสี่ทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้ชื่อว่าอายตนะสัพพส่วนสัพพะสัพพะอันนี้หมายถึงนิยบทเนี่ยนะเขาบอกว่าสิ่งที่ควรรู้เนี่ยมีอยู่ปริมาณเท่าไหร่เนี่ยนะสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่มีเลยอันนี้เท่ากับอะไรอารมณ์ของสัพพัญญุตยาน อารมณ์ของสัพพัญยุตยานะไม่มีไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่รู้แล้วก็ปเทสสัพพะเนี่ยแคบกว่าสกายะสัพพะสกายะสัพพะก็แคบกว่าอยตนะสัพพะอเยตนะสัพพะก็แคบกว่าสัพพะสัพพะน่นะนี่ก็เรียกว่าสิ่งทั้งปวงเหมือนกัน อ, อ, อายตนาสภาวนี้ไม่มีบัญญัติอยู่เลยใช่ไหมไม่ ม, ม, มีอันนี้เพิ่มบัญญัติขึ้นมาอีกแล้วอันนี้เนี่ยบางทีเนี่ยขี ด, ข, ด, ข, ดของการมันแคบถ้าตัวสภาวะสภาวะเนี่ยนะทั้งในแง่ของบัญญัติทุกชนิดเช่นว่ากามาวจรเนี่ยนะแล้วเป็นที่ตั้งของบัญญัติอะไรบ้างารู้หมดเลยอายุวตัวอย่างว่าประเทศในโลกนี้นะเฉพาะโลกมนุษย์เราเนี่ยมีกี่ร้อยประเทศก่อน แล้วทุกประเทศใช้ภาษาอะไรบ้างแต่ละภาษานี่มีความหมายสื่อสารกันยังไงอะไรยังไงอะ่ะ ถ, ถ้าอัยตนะสาภาก็เน้นเอาตัวสาภาวะที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นแต่ถ้าเป็นสัพพัญยุตยานก็บอกว่าบัญญัติวหารหลักวิชาการทุกชนิดที่อธิบายในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยในในเรียกว่าทุกแง่มุมเลยว่างั้นะทุกในทุกแงม่มุมอธิบายได้หมดนะด้วยอนุภาพของสัพพัญยุตยานเนี่ย นั้นแล้วก็ทั้งรูปประภูมิมรูปประภูมิและไม่ใช่เฉพาะปัจจุบันอย่างเดียวคูณด้วยการสามอีกเนี่ยนะแล้วอดีตกไ็ไม่มีไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดด้วยนะไม่ใช่ว่าอาดีตแล้วก็จํากัดว่าเกียร์สงไข่เนี่ยอันนี้ไม่มีจํากัดเวลาอนาคตก็ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะอันนี้นนก็ด้วยอำ น, นาจของสัพพัญยุตยานก็ดีจังนะถ้าลองบำเพ็ญบารมีนานหน่อยจึงจะรู้ขนาดนั้นนะใครอยากจะรู้รยายรละเอียดก็เอา บารมีสิบบำเพ็ญเนอะเราได้เรียนนี่ก็โอ้มีบุญไดนะ้หน่ได้นับถือคนมีความรู้นี่ก็โอ้เป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วเนะปูชาจะปูชนียานังเอตมังคละมุตตะมังอโอ้ได้นับถือพระพุทธเจ้านี่โอ้โหสุดยอดมงคลแล้ว แต่ว่านานๆเข้านี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายยุคต่อไปไม่จะรักษาให้ลูกหลานได้ยินพระพุทธเจ้าอีกแล้วเลยเล้นยุคต่อตไปเนี่ยอดรู้จักเลยครนนี้เลยไม่ได้นับถือเลยนะเพราะไม่รู้จักคุณเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าผู้ที่รู้จักคุณของพระพุทธเจ้านะจำที่ไม่นับถือไม่มีรอกสําคัญก็คือไม่รู้จักคุณนั่นแหละเลยเลยไม่ได้นับถือแต่ถ้ารู้คุณเนี่ยที่ไม่นับถือไม่มีรอกนี่ยนะยังไม่ได้เข้าเรื่องเราเลยนะ่นเอง